เราเป็นผู้ที่มีโชคนะที่ได้เกิดในยุคที่ยังมีคำสั่งสอนของพระเจ้าเผยแร่อยู่แล้วก็ยังมีโชคที่ได้มาเกิดในสถานที่นะที่มีคำสอนของพระเจ้านะปฏิสถานและเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ถือว่าเรามีโชคอีกชั้นหนึ่งนะ เป็นโชคที่เพิ่งมาใหม่ก็คือจะได้สนทนากับพระพุทธเจ้าด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่เกิดมาในยุคพุทธกาลนะไม่ได้พบพระพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวนี้นี่ผ่านมาสองพหรอปีนี่เรามีโอกาสจะได้สนทนากับพระพุทธเจ้าแล้วนะเพราะว่า เมื่อเร็วๆนี้เขามีข่าวว่าเนี่ยที่มาว่าอะไรเกียวโตนะประเทศญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าทําโปรแกรมก็ได้นะหรือว่าแอปที่ทําให้เราเนี่ยสามารถสน่นากับพระ เ, เจ้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้อันนี้เขาใช้ความก้าวหน้าทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะเรือกว่าเอเนี่ยเอนี่มันเป็นเหมือนกับ สมองกลนะที่มันทำอะไรได้ไหลายอย่างใกล้เคียงกับมนุษย์เช่นเห็นหน้าเห็นภาพก็จำได้หรือบอกได้ว่าเป็นใครแม้ว่าจะยิ้มแม้ว่าจะหน้าบึง้งหรือว่าแม้จะใส่แว่นสวมหน้ากากอลรมมายนี่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มันก็บอกได้แล้วรวมทั้งสามารถจะ เรียนเสียงนะให้เหมือนเราหรือว่าประดิษฐ์ภาพประดิษฐ์หน้าตาที่เหมือนเราได้แต่ว่าตอนนี้เขาก็ใช้ AI มาในทางส่งเสริมนะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาชื่อว่าบุตตาบทนะ บุตตานี่ก็ุทธเจ้าบอตนี่ก็มาจากคำว่าโรบอทเขาก็ใช้ AI นี่แหละนะซึ่งตอนนี้มันก็แพร่หลาย Google ก็ใช้ในการพาเรามาสถานที่ต่างๆตอนนี้เขาก็ใช้ AI เนี่ยเพื่อให้คนที่สนใจพุทธศาสนาเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับชีวิต เกี่ยวกับงานการนะมีความกุ้มใจอะไรมีความเครียดอะไรก็ป้อนคำถามไม่ต้องพิมพ์มันก็ได้นะพูดเอาเลยพูดเอาเลยใส่คอมใส่โทรศัพท์มือถือนะแล้วก็ไอเเนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ นำคำสอนของพุทธเจ้านี้มาบอกเราเป็นเสียงนะเป็นเสียงเหมือนกับเสียงพุทธเจ้าเลยแล้วก็มีภาพพระพุทธเจ้าอยู่ในจอนะสมมือกับว่าพระพุทธเจ้านี้กําลังสนทนากับเราหรือกําลังตอบคําถามของเราที่มาไลเกตัวนี้เขาก็ใช้วิธีเอา ข้อความในพระไตรปิฎกนะเจอวระสุดตันตปิฎกเนี่ยนะใส่เข้าไปในเครื่องและให้ AI เนี่ยมันคอยพิจารณานะว่าคำตอบใดหรือว่าข้อธรรมใดเนี่ยจะจะสอดคล้องกับคำถามของเรานะถามในทุกเรื่องนะอันนี้ก็เป็นอ่ ความก้าวหน้าอย่างใหม่นะซึ่งจะถือว่าทําให้เราคนรเรานี่มีโชยประการหนึ่งก็ได้นะได้สนทนากับพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะได้ไม่ไม่มีโอกาสพระพุทธเจ้าตัวจริงนะแต่ก็ได้สนทนากับพระองค์ไม่ใช่โดยการอ่านนะแต่ด้วยการฟังแล้วก็ตามเนี่ยมันก็มีข้อที่ควรพิจารณานะสองสามประการคือว่า ประการแรกเนี่ยเราอย่าไปฝากความหวังหรือพึ่งพาเทคโนโลยีมากไปนะบูตา บ, บอดเนี่ยมันก็ยังเป็นผลผลิตของเทคโนโลยีนะที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์แล้วเราก็ถ้าเราไปมั่นใจหรือฝากศรัทธาไว้กับเทคโนโลยีแม้มันจะเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเนี่ย เราก็อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้เพราะว่าคำสอนหรือข้อทำที่ใส่เข้าไปใน AI เนี่ยหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันก็เกิดจากมนุษย์ถ้าใสา่ข้อความที่ถูกมันก็ให้ผลที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าใสา่ข้อความหรืออินพุตที่ไม่ถูกต้องมันก็อาจจะมีปัญหาได้ ยังไม่ต้องพูดถึงว่ามีไวรัสนะเข้าไปป่นปวน้นลังควานทำให้ AI เนี่ยเพียนเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีข้อบอกพร่องข้อผิดพลาดได้เสมอมันมีคาพูดว่าคนเราเนี่ยนะย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่มไม่ใช่คนเราอย่างเดียวนะเทคโนโลยีหรือแม้แต่ คอมพิวเตอร์ AI เนี่ยมันก็ผิดพลาดได้มันมีบั๊กนะมันมีช่องว่างที่ไวรัสมมาแวร์สารพัดเนี่ยจะเข้าไปปนป่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถามอะไรไปเนี่ยคำตอบที่ได้อาจจะไม่ตรงกับคำสังของพระเจ้าก็ได้ยังไม่น่าถึงอ่คนที่ประสงค์ร้ายนะที่สามารถจะมา เรียกว่าแฮ็กนะหรือว่ามาควบคุมองค์การไอ้เทคโนโลโยีที่เราใช้อยู่ก็ได้สมัยพุทธกาลนะเคยเลาเวลาเนี่ยมีคราวหนึ่งพระองค์ไปแสดงธรรมให้กับอุบาศกคนหนึ่งนะเป็นขาบดีชื่อสุรอรมพัฒนแสดงธรรมเรื่องขันทาว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสุรธรมพัฒนเนี่ย พิจารณาใครควรก็เกิดปัญญาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันในกี่ชั่วโมงต่อมานะพุทธเจ้าก็กลับมาหาสุรธรมพัฒใหม่แต่ที่จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าตัวจริงนะเป็นมารที่ปลอมตัวมามานี่แปลงร่างได้สุรธรรมพัฒน์ก็สงสัยว่าพูะุทธเจ้ามาทำไมนะเพราะว่าเพิ่งเสด็จไปเมื่อสักครู่ รูเจ้าจำแรงก็บอกว่าเนี่ยที่เมื่อกี้สอนนะว่าขันตั้งห้าล้วนแต่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะไม่เที่ยงเป็นทุกเนี่ยเมื่อกี้เราพูดผิดนะยังมีขันบางอย่างนะที่มันเที่ยงมันเป็นสุขแล้วก็มันเป็นตัวตนได้ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็เชื่อนะรูเจ้าพูดอะไรมาก็เชื่อเพราะศรัทธาอยู่แล้ว แต่ว่าสุรัมพันธ์นี่ไม่เชื่อบอกว่าไอ้ผู้เจ้านี่พูดคำไหนคำนั้นนะไมยอมไม่กลับคำโดยเฉพาะคาสอนที่สาคัญสงสัยว่านี้ไม่ใช่ผูเจ้าตัวจริงนะไอ้ น, นี่เป็นมารหรือเปล่าเนี่ยก็เลยถามเลยนะท่านเป็นมารใช่ไหมบอกว่ามานี่พอรู้ความจริงเขา้าพอรู้ว่าคนรู้อุบายก็ยอมแพ้นะเปิดเผยตัวตนที่แท้ว่าเนี่ยเป็นมารแล้วก็หนีไป มาเนี่ยมันสามารถที่จะแปลงร่างเป็นผู้จาร์แล้วก็ชักพาคนให้เข้าใจผิดนะหรือเกิดมิจฉาทิฐิได้มาในยุคนี้เนี่ยนะไอ้เทคโนโลยีเนี่ยแม้มันจะดียังไงนะมันก็อาจจะเปิดช่องให้อ่าผู้ประสงค์ร้ายเนี่ยนะมาบงการควบคุมให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ตามวัตถุประสงค์ขงเขาอย่างที่เดี๋ยวนี้ก็มีเฟกนิวเยอะเฟกนิวแล้วก็มีการเติมแต่งวิดีโอเหมือนกับว่าเรากาลังพูดอย่างน้นอย่างนี้ทั้งที่ไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่ว่า ai นี่มันประดิษฐ์ขึ้นมาเองดังั้นเดี๋ยวนี้ต้องมีไม่ใช่มีศรัทธาอย่างเดียวนะศรัทธายะไม่พอนะมันต้องมีวิจารณญาณหรือมีปัญญา เพรนั่นถึงแม้ว่าจะมีบุฎาบอทเนี่ยนะก็จะไปคิดว่าไอคา้คาคําตอบที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นของแท้สเสมอไปมันอาจจะเป็นของเทียมก็ได้หรืออาจจะเป็นเกิดจากความผิดพลาดอาจจะเกิดจากการปรุงแต่งก็ได้และประการต่อมาคือว่าพระจ้าเนี่ยเวลาพระองค์แสดงธรรมเนี่ยพระองค์ก็แสดงธรรมโดยพิจารณาผู้ฟังนะ ผู้ฟังต่างกันผู้ลมก็แสดงธรรมต่างกันนะไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ว่าความลึกซึ้งต่างกันอย่างเช่นคนบางคนที่ยังมีความเชื่อเรื่องตัวตนอยู่ผู้เจ้าก็สอนเนี่ยว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะแต่สอนต่อไปว่านี่บุคคลที่มีตนฝึกไว้ดีแล้วย่อมมีที่พึ่งที่หาได้ยากแต่บางทีพระเจ้าก็สอนว่าไม่มีตัวตนนะไม่ใช่ตัวตนไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขา บางคนสงสัยอ uh, ้าวผู like ้เจ้าตรงนี้พูดว่ามีตัวมีตนต้องฝึกตนเอาไว้แต่ตรงนี้บอกว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนขัดแย้งหรือเปล่าไม่ขัดแย้งหรอกนะขึ้นอยู่กับผู้ฟังนะว่ามีความเชื่อความเข้าใจระดับไหนถ้ามีความเชื่อเรื่องตัวตนผู้เจ้าก็สอนวาให้เนี่ยให้ฝึกตนเอาไว้แต่ถ้าเริ่มมีปัญญาหน่อยอย่างปัญจวัคคีย์ผู้เจ้าก็เลยบอกนะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะคัน มันมีแต่กันห้าขันห้าก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือในบางที่ผู้ยอดสอนนะหลายที่แล้วผู้ยอดสอนให้ทําดีทดําดีให้มีศีลให้มั่นคงในธรรมแต่ในในที่หนึ่งก็บอกว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วคนบางคนนี่ก็พอไปเข้าใจแบบ น, นี้เนี่ยก็เลยคิดว่าความดีไม่ต้องทําก็ได้ ที่จริงผู้เจ้าสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยกับคนที่มีพัฒนามีการพัฒนาในระดับหนึ่งแล้วนะคือเป็นคนดีและพมกก็สอนว่าให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะคือว่าไม่ยึดดีไม่ติดดีนะคือไม่ยึดไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมะแต่คนที่ยังมีนิสัยเก่งเม่อไรเกเลนี่ผู้เจ้าก็สอนนะว่าต้องให้มีธรรมะให้มี ให้ใยดีให้รู้จักกระตันยูพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคําสั่งพุจารจ์เนี่ยมีทิ่พลมีความหมายได้เพราะว่าพระอว์พิจารณาจากระดับที่แตกต่างกันของผู้ฟังแต่ว่าเครื่องพุทธบดเนี่ยมันไม่รู้หรอกนะคนฟังเป็นใครมันไม่รู้ภูมิหลังเพราะนั้นคําตอบที่ให้ไปเนี่ยก็คนที่มีภูมิหลังแตกต่างกันก็อาจจะตีความหรือเข้าใจแตกต่างกันไปได้ ดัน้นคนเราต้องมีครูบาอาจารย์เนี่ยเพราครูบาอาจารย์ก็จะรู้ว่าลูกศิษย์คนนี้เนี่ยเขามีภูมิหลังอย่างไรนะคนบางคนเกียจคล้างก็ต้องสอนในขยนันแต่ลูกศิษย์บางคนขยันมากไปก็ต้องสอนให้รู้จักหย่อนรู้จักพักผ่อนซะบ้างนะสอนไม่เหมือนกันบางคนสอนในขยนันแต่บางคนกระตุ้นให้รู้จักอ่าผ่อนคลายบ้างทำน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ย คำสองผู้จ้าจะมีประโยชน์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระดับของผู้ฟังด้วยแต่เครื่อง AI เนี่ยมันไม่รู้หรอกนะว่าคนฟังเป็นใครมันก็ตอบไปตามข้อมูลที่ได้ซึ่งคนฟังก็อาจจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาแล้วก็ระมัดระวังเอาไว้